ทีมที่เข้าคอร์สอยังอยู่กันครบไหมทีมนครสวรรค์ยังอยู่ไหมฮะอยู่เหรอกี่คนนครสวรรค์ น, นคอนสวรรค์เจ็ดสิบห้าใชหรอแล้วทีมบ้านอารีสี่สิบสามเจ็ดแล้วมีทีมอะไรผ่าซ่อนแก้วไปหมดยัง <c oughs> <c oughs> เหลือหายไปหนึ่งดีแล้วมันนักใกล้ๆอยู่ข้างหลังยี่เรียนเลย พวกเราเยอะนะเยอะจนหลวงพ่อดูแลทีละคนไม่ได้แล้วสมัยก่อนอยู่เมืองกาญไม่ค่อยมีโยมเท่าไหร่บางวันไม่มีเลยนะสบายชังภาวนาของเรามีความสุขมีโยมก็ต้องพูดเชนมาหาบัวท่านบอกว่าเห็นตาแป๋วแปวนะเมื่อก่อนไม่เข้าใจท่านแนละท่านเห็นตาแป๋วแป๋วสงสารนะต้องพูดนี่เห็นตาแป๋วแป๋น่าสงสารจริงๆ แต่ละคนก็อยากพ้นทุกข์อยากหาความสุขหาแก่นสารหาสาระให้กับชีวิตดิ้นรนไปที่โ น, โนู้นนไปที่นี่นะหาธรรมะไม่เจอไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ก่อนหลวงพ่อก็สแสวงหาเหมือนกันตอนเด็กๆไปเรียนกับท่านพ่อรีนั้นพ่อพาไปโยมพ่อพาไปเจ็ดขวบฝึกได้แต่สมถะ ไม่ใช่ท่านไม่เก่งนะท่านเป็นพระเก่งองหนึ่งเป็นพระที่ดีองหนึ่งเลยนี่เราเด็กมากท่านสอนให้ได้แต่สมถะยังไม่ทันขึ้นวิปัสสนาเพราะไม่มีครูบาอาจารย์พอหมดครูบาอาจารย์แล้วก็เคว้งคว้างทำอะไรไม่เป็นนะองทำแต่สมถะทำสมถะอย่างเดียวทำอยู่นานย2ปีมาเจอหลวงปู่ดุล ถึงได้หัดปฏิบัติได้ก่อนหน้าจะเจอหลวงปู่ดูลนะพอโตขึ้นมาเนี่ยเที่ยวแสวงหาธรรมะลนะพราไตรปิดกก็อ่านตั้งหลายจบนะอ่านเยอะเนี่ยหลวงปู่ดูลเลยรู้เลยพอเจอหน้าท่านครั้งแรกนะท่านก็บอกอ่านหนังสือมากมากแล้วต่อไป น, นี้ให้อ่านจิตตนเองเคยไปบวชวัดชนประธานบวชหลวงพ่อปัญญาท่านก็รับนิมนต์ตลอดเลยไม่เคยอยู่วัด วันจะไปลาท่านศึกท่านยังบอกท่านอับัตแล้วท่านไปอุปชาแล้วท่านไม่ได้อยู่สอนท่านขออภัยขอมาน่ารักมากเลยแต่ท่านก็มีพระคุณใหญ่หลวงอยู่อันหนึ่งบวชออกมาวันนั้นนะท่านเรียกไปหาท่านเอาหนักสือท่านอาจารย์พุทธธาตให้มาเล่มในหนังสือท่านอาจารย์พุทธธาตพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาท บอกผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทก่อนหน้านั้นเคยได้ยินแต่ว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมนี่พระพุทธเจ้าบอกพระวักกะลินี่เราเริ่มรู้แล้วว่าโอ้เราต้องเรียนให้ได้ปฏิจจสมุปบาทถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทนะั้นเราก็จะได้ธรรมะแต่เดิมนั้นธรรมะมันเยอะไปหมดเลยไม่รู้จะเรียนอันไหนเรียนแต่ละบทแต่ละบทแล้วไม่รู้จะภาวนา ย, ยัางไง นี่รู้อย่างเดียวว่าต้องเรียนปฏิจจสมุ ป, ปบาทไปเที่ยวถามพระในวัดนีหลวงพ่อท่านไม่อยู่ถามใครใครนะหลายองค์ว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นไงครับบางองค์ก็มองหน้าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันบางองค์ท่านก็วางฟอร์มอ๋อปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของเหตุผลแล้วหนีไปเลยแล้วก็โอ้ท่านก็คงไม่รู้เหมือนกันแหละ ก็ฝังใจอยู่ว่าเราต้องเรียนปฏิจจสมุปบาทให้ได้พอศึกออกมาแล้วนะบวชตอนเป็นนักศึกษาพอศึกออกมาก็เที่ยวไปหาหนังสือปฏิจจสมุปบาทเช่ยของท่านพุทธทาสนี่แหละเล่มเล็กเล็กเล่มเล็กเล็กอ่านไปปฏิจจสมุปบาทสิบงขั้นตอนบอกเพราะอาวิชามีอยู่สังขารจึงมีอยู่เพราะสังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีอยู่ พระวิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีอยู่ไล่ไล่ไล่ไปจกนกระทั่งถึงเพราะชาติมีอยู่ทุกจึงมีอยู่แล้วก็มาดูความหมายของศัพท์แต่ละคำอวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจนะไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมกักความจริงมีมากกว่านั้นอีกนะไม่รู้นามรูปที่เป็นอดีตไม่รู้นามรูปที่เป็นอนาคตไม่รู้นามรูปทั้งอดีตและอนาคต ตัวสุดท้ายคือไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทอ่วงกับอีกแล้มีปฏิจจสมุปบาทอีกแล้วก็เราอยากเรียนปฏิจจสมุปบาทนะอุตส่าหหาหนังสือมาอ่านพูดถึงอวิชาก็อวิชาก็ไปอ้างปฏิจจสมุปบาทอีกดูแล้วก็โอ้ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจรู้แต่ว่าอาวิชาก็เป็ความไม่รู้แปดอย่างไม่รู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่รู้รูปนามที่เป็นอดีตรูปนามที่เป็นอนาคต รูปนามทั้งอดีตทั้งอนาคตแล้วก็ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทแปอันฟังแล้วก็ไม่เห็นมันจะเก็ตตรงไหนเลยอ่านแล้วธรรมามันก็ขาดเป็นช่วงๆไปมาดูสังขารบ้างสังขารมีสามอย่างคือปุญญาพิสังขานาปุญญาพิสังขารอเนญชาพิสังขารฟังแล้วปฏิบัติยังไงไม่รู้อีกจะทำวิปัสสนาได้ไงก็ยังไม่รู้จะเห็นมันได้ยังไงก็ยังไม่รู้ สังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นยังไงวิญญาณหยั่งลงรูปนามเลยปรากฏไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยธรร ม, มนะนั้นมันขาดเป็นช่วงช่วงองค์ธรรมของปฏิจจสมบัติสิบสองขั้นตอนนะมันไม่ต่อกันเรารู้ว่าแต่ละตัวเนี้หมายถึงอะไรแต่ละตัวหมายถึงอะไรแต่มันสัมพันธ์กันยังไงไม่รู้แล้วจะเอามาปฏิบัติได้ยังไงไม่รู้ไม่รู้เลยเนี่ย จนกระทั่งต่อมาเนะ่ยเจอหลวงปู่ดูลนะี่ยท่านสอนให้ดูจิตตัวเองถึงได้รู้ว่าการปฏิบัติจริงๆหัวใจของมันก็คือการเจริญสตินี่เองอริยมรรคมีองค์แปดในเบื้องต้นต้องมีสัมมาทิฏฐิเสก่อนในขั้นปริยัตินะในเบื้องต้นมีสัมมาทิฏฐิคือต้องรู้วิธีปฏิบัติ ในเบื้องกลางระหว่างลงมือปฏิบัติเนี่ยต้องมีสัมมาสติสัมมาสติเป็นตัวหลักเลยในเบื้องปลายตอนที่จะเกิดระยะมรรคเนี่ยสัมมาสามาธิจะเป็นตัวหลัก้นการที่พวกเรามาฟังหลวงพ่อพูดธรรมะให้ฟังเนี่ยเรากําลังเรียนสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติอยู่เพื่อจะรู้วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือวิธีเจริญสติทําให้มีสัมมาสติขึ้นมามีสติบ่อยๆมีสติรู้กายมีสติรู้ใจ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 มันเป็นยังไงจริงๆมันเป็นไงต้องรู้อย่างนั้นถ้านะ ร, รู้ด้วยจิตที่เป็นกลางรู้แล้วหลงยินดีรู้แล้วหยุหลงยินร้ายก็ใช้ไม่ได้เนะี่ยจุดที่ผิดพลาดเนี่ยผิดตรงนี้เองอันแรกเลยไม่มีสติจริงนะอันที่สองพอมีสติแล้วก็ไปเพ่งรูปเพ่งนามหรือไปเพ่งอย่างอื่นนะไปเพ่งอย่างอื่นก็ได้เช่นไปเพ่งความว่างเพ่งไฟเพ่งน้ําเพ่งดินเพ่งกรสินอะไรพวกนี้นะ ต้องรู้รูป้นามไม่ใช่เพียงเงาต้องรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงของรูปนามคือไตรลักษณ์ถ้าไปเห็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่อีกแล้วตามทันไหมมีปาสนานะเราต้องมีสตินะรู้รูปนามรู้กายรู้ใจเนี่ยตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นกลางคีย์เวิร์ดผู้นี้จําไว้ก่อนนะคนที่ปฏิบัติผิดพลาดคือพลาดจากคีย์เวิร์ดสตัวนี้เองนะอัแรกเลยไม่ได้มีสติจริง เราก็ต้องเรียนหลวงพ่อถึงจำชี้จำชยัยสอนทุกวันว่าสติเกิดจากอะไรสติเป็นยังไงสติเกิดจากอะไรสติทําหน้าที่อะไรถ้าสติทําหน้าที่แล้วผลอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยจำชี้จำชยัยสอนอยู่อย่างนี้เพื่อให้มีสติถัดจากนั้นก็สอนให้ว่าต้องรู้รูปนามนะรูปรู้ลงปัจจุบันนามรำรู้ไปไม่เหมือนกันต้องรู้ตามความเป็นจริงคือต้องเห็นไตรลักษณ์ให้เห็นอย่างอื่นไม่ใช่ ต้องรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางถ้ารู้แล้วยินดีรู้แล้วยินร้ายก็ยังใช้ไม่ได้นะสติคือความระลึกได้สติไม่ได้ประวัากกำหนดคนรุ่นหลังเนี่ยที่พลาดแล้วลมลุกลุกลาในการปฏิบัติเพราะไปแปลสติว่ากำหนดกาหนดจดจ้องไม่ใช่สตนะิเป็นการบังคับตัวเองเป็นการกดข่มตัวเองสติทำหน้าที่ระลึกรู้เท่านั้นเองว่าอะไรกำลังปรากฏอยู่ รูปกําลังปรากฏอยู่นามําลังปรากฏอยู่นี่สติทําหน้าที่ระลึกรู้นะระลึกรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นระลึกรู้แล้วนะอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีอกุศลใหม่จะไม่เกิดขึ้นในขณะที่มีสติระลึกรู้แล้วนะกุศลจะเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะสตินะั่นแหละตัวกุศล ระลึกแล้วนะกุศลจะงอกงามไผ่บูนขึ้นอย่างเบื้องต้นเรามีสติแต่ภไปเราจะเกิดฮิริโอตปะเวลาจะทําชั่วนั้นจะละอายแก่ใจเพราะมันเห็นเห็นกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในใจพอเรามีฮิริโอตปะเราจะมีอินเซียสังวรเราจะเกิดความสำรวมระวังเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เมื่อเรามีอินเซียสังวรนะศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรียกว่าอินเซียสังวรศีลเมื่อเรามีศีลเนี่ยจิตใจเราจะมีความสงบมีความสุข เมื่อมีความสุขนะสมาธิก็จะเกิดขึ้นใจจะตั้งมั่นในการรู้กาย ร, รู้ใจเมื่อมีสมาธิคือความตั้งมั่นในการรู้กาย ร, รู้ใจปัญญาที่จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาแก่รอบวิมุตต์คือความหลุดพ้นคือการที่จิตสลัดคืนกายคืนใจให้โลกก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีวิมุตต์นะก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระนิพพานเรียกว่าวิมุตติยานทัศนะเห็นไหมกุศลทั้งหลายจเจริญมาได้เพราะสติท่านเอง ถ้าขาสติตัวเดียวนะไม่มีเลยกุศลทั้งหลายงั้นการที่เรามีสติอยู่ได้แหละเรียกว่าเราปฏิบัติถูกเรามีความเพียรถูกนะมีสติรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นดูไปเรื่อยๆนะดูไปแล้วบางทีใจก็ไม่เป็นกลางขึ้นมาก็ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นไม่ชอบอยากให้หายให้รู้ทันว่าไม่ชอบแล้วใจไม่เป็นกลางนะเห็นความสุขเกิดขึ้นใจมันชอบอยากให้อยู่นานๆให้รู้ทันว่าใจชอบ มีเท่านี้นะการปฏิบัตินอกจานั้นเป็นรายละเอียดปลีกย่อยละเป็นลงรายละเอียดเช่นวิธีรู้รูปจะรู้ยังไงวิธีรู้นามจะรู้ยังไงนะระหว่างรู้จิตจะต้องตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิยังไงนะสิ่งเหล่านั้นจะต้องลงรายละเอียดที่เราจะต้องค่อยๆเรียนไปธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่ อ, อามาสรุปให้ฟังนี่มันมาจากคาสอนหลวงปู่ดูลคําเดียวที่สอนหลวงพ่อว่าให้ดูจิต อาศัยว่าดูจิตนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างนี้เลยเกิดขึ้นความรู้ความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นมาเรียกว่าเรามีสตินั่นเองนะมีสติจเจริญสติไปเรื่อยนี่แหละคือทั้งหมดของการปฏิบัติการเจริญสตนิน่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นกลางนะรู้อย่างนี้เรื่อยๆถ้ารู้มาเพียงพอนะมันจะเกิดปฏิเวทขึ้น ในขั้นปริยัตินะเราเรียนให้ได้สัมมาทิฏฐิคืรู้วิธีปฏิบัติในขั้นปฏิบัตินะเราจเจริญสติทําสมาสติให้เยอะๆนะในขณะที่จะเกิดปฏิเวศนี่องค์ธรรมสำคัญคือสัมมาสมาธิจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิโดยอัตโนมัติเลยถึงคนซึ่งไม่เคยเข้าฌานเลยน ะ, จะเจริญสติถูกต้องรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่เป็นกลางไปเรื่อย ถึงจุดที่เขาพอเนี่จิตจะรวมเขา อ, อัปปนาสมาธิเองตัวสัมมาสมาธิในระดับอัปปนาสมาธินี่จะทำหน้าที่เป็นตัวรวบรวมองค์ทําฝ่ายกุศลทั้งหลายให้ผนึกกำลังเขาเป็นหนึ่งเพราะหน้าที่ของสมาธินั้นก็คือการรวบรวมธรรมะที่เกิดร่วมกันเนี่ยให้มันมาทำงานร่วมกันได้เพราะฉะในขณะที่สัมมาสมาธิเกิดขึ้น ในขณะนั้นมีสัมมาสติมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและมีหมดเลยนะในขณะนั้นจะเกิดขึ้นพร้อมกันเลยองค์ธรรมฝ่ายกุศลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะประชุมกันในขณะนั้นเลยศรนะัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นพร้อมๆกันในขณะนั้นนะคุณธรรมฝ่ายดีทั้งหลายเรื่องโพธิปักคีย์ธรรมเกิดขึ้นในขณะนั้น37ประการ เนี่ยคุณทําฝ่ายดีทั้งหลายมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันตัวที่เป็นตัวรวบรวมผนึกกําลังของธรรมะฝ่ายดีเข้าด้วยกันเป็นกองทัพของธรรมะเลยธรรมะผนึกกําลังเข้าด้วยอํานาจของสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยธรรมะนี้จะมีพลังยิ่งใหญ่มากลําพังธรรมะกุศลแต่ละตัวแต่ละตัวนะไม่สามารถล้างกิเลส ช, ชั้นละเอียดคือสังโยชน์ได้เลยต้องอาศัยการผนึกกำลังของกุศลทั้งหลายเนี่ย ผนึกเข้าเป็นหนึ่งเลยดนะงนั้นสัมมาสมาธินี่จะเป็นตัวหลักเลยจนะผนึกกําลังเป็นหนึ่งแล้วก็ทําลายนะเกิดอริยมรรคขึ้นมามันทําลายสังโยชน์ลงไปขาดแล้วขาดเลยขาดแล้วไม่กลับมาอีกนะถ้ายัางปลุกปลุโผล่โผ่ยงังเราขั้นทํำมิปั ส, สนาอยู่นี่กิเลสเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทนันมันก็ดับไปชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เกิดอีกนะตัณหาเกิดขึ้นมามีสติรู้ทนันเดี๋ยวมันก็เกิดอีกนะ นี่ขั้นทำมีพัสนาถ้าขั้นทำสมถาก็เหมือนกันทําได้ชั่วคราวนะใช้ฟุง้งซ่านทําความสงบมันก็สงบชั่วคราวใจโกรธขึ้นมาจเจริญเมตตาไว้ก็สงบชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวนะระหว่างทางเดินยังมีของชั่วคราวอยู่แต่ตอนที่เกิดอริยมรรคแล้วตัดแล้วตัดเลยไม่เกิดขึ้นอีกละตัวไหนถูกฆ่าทําลายไปแล้วไม่มีอีกละนะ เนี่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเห็นมไหมวันนี้สอนสั้นๆ น, นะครอบคลุมไปหมดละถ้าใครเข้าใจทั้งหมดนี่ก็สบายเท่านั้นเองไม่ต้องภาวนาถ้ายัางเข้าใจไม่หมดนี่ต้องภาวนาอีกนะต้องจเจริญสติไปรู้กายรู้ใจไปตอบได้อย่างจะปฏิบัติจะทํายังไงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะด้วยจิตที่เป็นกลางจําได้ไหม จำไม่ได้เขกหัวตัวเองสี่ครั้ง <c oughs> ครั้งที่หนึ่งมีสตินะเขกไว้ให้มันจําเข้าไปใส่ทะลุหัวโหลกบางคนโหลกหนาะข้อแดงๆมีสตินะสติทําอะไรสติรู้กายรู้ใจนะรู้กายรู้ใจยังไงต้องรู้ตรงความเป็นจริงคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจรู้ด้วยจิตชนิดไหนรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางรู้อย่างนี้แหละมรรคผลนิพพานไม่เป็นไหนหรอก ถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้กินหรอกถ้าขาดสตินะจิตเป็นอกุศลเลยถ้ามีสติแต่ไม่ได้รู้กายรู้ใจไม่ใช่วิปัสนาถ้ารู้กายรู้ใจนะไปเพ่งอยู่เฉยๆไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจก็ไม่ใช่วิปัสนาเป็นสมถะถ้ารู้ด้วยจิตที่ไม่เป็นกลางเรียกว่าขาดสัมมาสมาธิขาดความตั้งมั่นขาดความเป็นกลางอาริยมรรคจะไม่เกิด ให้เราถ้ามีสตินะมีสติไว้รู้กายรู้ใจจับหลักตัวนี้ให้แม่นแล้วเวลาเราไปฟังคนอื่นสอนฟังอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ท่านผู้นั้นผู้นี้สอนเราจะรู้เลยว่าเขาสอนอยู่ตรงไหนเขาสอนถูกตรงที่พระพุทธเจ้าสอนหรือสอนตามที่คิดเราเองเยอะมากนะสอนตามที่คิดเาเองนี่เยอะมากเลยหรือสอนตามที่เชื่อเชื่อเอาเรียนมาจากอาจารย์อาจารย์สอนแบบนี้ก็เชื่อเชื่อเอามันลดละกิเลสอะไรไม่ได้เลย อย่างบางคนไม่ได้มีสติเพ่งลูกเดียวกำหนดลูกเดียวไม่มีสตินะใช้ไม่ได้ไม่ใช่วิปัสนาละเพราะไม่สามารถรู้รูปนามได้ไปรู้ความว่างเนี่ยมีสติต้องรู้รูปนามบางคนไปรู้ความว่างความว่างไม่ใช่รูปนามนะความว่างเป็นอารมณ์ภายนอกแล้วต้องมารู้รูปนามภายในนี่รู้ตัวเองนี่สิ่งที่เรียกว่าตัวเราอยู่ตรงไหนรู้เข้าไปตรงนั้นเลยนะไม่ไปรู้ของข้างนอกนะ อย่าไปน้อมจิตให้นิ่งอย่าไปน้อมจิตให้ว่างอย่าไปบังคับกายอย่าไปบังคับใจไม่ใช่ภานาเพื่อว่านั่งนานๆแล้วไม่เจ็บไม่ปวดเราต้องรู้ตามความเป็นจริงกายนี้มันต้องเจ็บต้องปวดกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่นั่งให้มันไม่เจ็บไม่ปวดอยากให้มันไม่เจ็บไม่ให้ปวดมาบอกหมอหนึ่งนี่ให้แกบล็อกไขสันหลังให้ถ้าไม่ตายซะตายก็ไม่เจ็บเนาะแกบล็อกไว้ก่อนะ เราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ม one ันเป็นอย่างอื่นเช่นให้มันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ได้ภาวนาเพื่อให้มันมีความสุขล้นล้วนไม่ได้ภาวนาเพื่อให้มันเที่ยงไม่ใช่ภาวนาเพื่อเราจะบังคับกายบังคับใจของเราได้ภาวนาแล้วให้กายให้ใจเที่ยงก็เป็นนิจจังไม่ใช่อนิจจังขัดกับหลักที่ว่าต้องเห็นไตรลักษณ์แล้วภาวนาจะเอาความสุขนล้วก็ไม่ได้เห็นทุกขังภาวนาให้เห็นทุกขังนั่นความทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ภาวนาหาความสุข ภาวนาให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ภาวนาจะบังคับกายบังคับใจให้ได้เช่นจะเดินได้ทั้งคืนแล้วก็ภูมิใจจะนั่งได้ทั้งคืนแล้วก็ภูมิใจเนี่ยจะดูจิตให้นิ่งเลยแล้วไม่กระดุกกระดิกเลยนะนิ่งไปเลยก็ภูมิใจนี่ไม่เห็นไรลักษณนะ์ใช้ไม่ได้นะถ้าเห็นแล้วไม่เป็นกลางนะหลงยินดีกับมันเช่นบางทีภาวนาใจมีความสุขขึ้นมานะตัวรู้โดดเด่นขึ้นมา เ, เกิดยินดีกับตัวรู้ ไปประคับประคองไปรักษาตัวรู้นี่ผิดอีกแล้วเนี่ยไปหลงยินดีกับสภาวะอันใดอันหนึ่งขึ้นมาอันนี้ผิดอีกแล้วกิเลสเกิดขึ้นมาเขาโมโหทำไมมันเกิดบ่อยนักวะไม่อยากให้มันเกิดนะ้ก็กิเลสมีเหตุกิเลสก็เกิดกิเลสไม่มีเหตุกิเลสก็ไม่เกิดนั่นมันเป็นอนัตตาเป็นไปนตามเหตุไม่ให้ตามที่เราสั่งคําว่าอนัตตามไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาแปลว่าเราบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายมันเป็นไ ป, นปนตามเหตุ มีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับเราบังคับมันไม่ได้นะอนัตตาไม่ได้แปลว่าว่างปล่าเนี่ยเราต้องค่อยๆฟังนะค่อยๆเรียนจับหลักให้แม่นๆ แ, แล้วการภาวนาจะไม่คลาดเคลื่อนถ้าคลาดเคลื่อนก็คลาดเคลื่อนจากหลัก4ตัวนี้ที่หลวงพ่อ บ, บอกนั่นเองคือไม่ใช่สติที่แท้จริงถ้ามีสติแล้วก็ไม่ได้ไปรู้รูปนามแต่ไปรู้อย่างอื่นนะหรือรู้รูปนามแล้วก็ไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่รูปนามไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนาม หรือพอเห็นอะไรขึ้นมาแล้วไม่ชอบใจบ้างชอบใจบ้างหลงเข้าไปวุ่นวายอยู่กับอารมณ์รูปนามที่จิตไปรู้เข้าหลงเข้าไปแทรกแซงแก้ไขควบคุมบังคับทําอย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้พวกเรานะี่ยฝึกไปหัดรู้สภาวะไปจนมีสติเกิดขึ้นเมื่อมีสติแล้วคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจ ให้รู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจดูกายเขาทางานดูใจเขาทางานดูเฉยๆนะมันจะรู้สึกว่ากายอยู่ห่างๆเวทนาอยู่ห่างๆกุศลอะกุศลอยู่ห่างๆเห็นจิตเคลื่อนไหวเกิดดับไปเรื่อยจิตวิ่งไปทางโน้นจิตวิ่งไปทางนี้จิตเกิดดับไปเรื่อยเดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตเกิดที่ตาเกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจดูไปเรื่อยนี่เขาแสดงใจรักไม่ได้ไปฝึกให้เขานิ่ง ฝึกไปเรื่อยๆดูด้วยใจเป็นกลางๆกละทั้งอยากบรรลุธรรมเร็วๆก็เรียกว่าไม่เป็นกลางแล้วเพราะฉะนั้นะคนไหนภาวนาแล้วโอ้โภาวนามาตั้งสามวันแล้วทำไมยังไม่ได้อีกเนะี่ให้รู้หนะ้าไม่เป็นกลางแล้วนะหรือภาวนามาปีหนึ่งทําไมไม่ได้นะก็ยังอยากอยู่ไม่มีวันได้หรอกต้องภาวนาจนวันหมดอยากนะมันได้ ตอนที่ใจจะเข้าใจธรรมะแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะโสดาสกัตถาคาอนาคาภะรัหันอะไรเนี่ยแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยเป็นตอนที่ไม่ได้มีความจงใจที่จะดูไม่ได้จงใจที่จะได้อะไรแต่ก่อนจะมันจะไม่จงใจได้นะมันจงใจมาก่อนแล้วทั้งนั้นแหละเพราะฉนั้นเบื้องต้นก็จงใจไปก่อนนั่นแหละพระนรินทรนน์สอนบอกมีตัณหานะเพื่อวันหนึ่งจะละตัณหามีมานะเพื่อวันหนึ่งจะละมานะมีทิฏฐิเ yup. พื่อวันหนึ่งล้างทิฏฐิลงไป เบื้ต้นมันก็ต้องมีแต่มีแล้วคอยรู้ทันอย่าไปส่งเสริมมันให้มากขึ้นเพราอนใจมันอยากปฏิบัติให้รู้ทันว่าอยากปฏิบัติพอความอยากปฏิบัติดับไปแล้วทําไงดีมันเลิอกอยากแล้วนอนเลยไหมนอนเลยโง่อีกล่ะเราไม่ได้ภาวนาเพราะมันอยากนะเราภาวนาเพราะมันสมควรจะภาวนาเพราอนใจมันอยากภาวนาขึ้นมาเรารู้ทันปุ๊บความอยากดับไปเราก็มีส ต, ติต่อไปเลยนะ ตรงที่เรารู้ทันใจที่อยากภาวนานั่นแหละภาวนาเสร็จแล้วหนึ่งรอบการภาวนาไม่ได้ภาวนาวันตั้งแต่เช้ายันค่ำนะเราภาวนาเป็นขณะขณะขณะเมื่อไรมีสติรู้รูปนามลงปัจจุบันนะรู้ขณะนั้นด้วยใจที่เป็นกลางเห็นไตรลักษณ์อยู่ตรงนั้นตรงนั้นเรียกว่าภาวนาล้เพราะฉะนั้นเวลาเรามีสติมัะมีเป็นขณะขณะเราก็รู้รูปนามได้เป็นขณะขณะขณะที่ไปรู้รูปนามจิตจะมี2อชนิดเลย จิตชนิดหนึ่งเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์จิตชนิดหนึ่งรู้เฉยๆมีสองแบบอีกนั้นจิตที่เป็นกุศลนะบางดวงมีปัญญาบางดวงไม่มีปัญญาดวงที่มีปัญญามีชื่อเพราะเฉยบอกชื่อมหากุศลและจิตญาณสัมปยุทธ์ดวงที่มันไม่มีปัญญาเรียกมหากุศลและจิตญาณวิปยุทธ์นี่มีสตินะถ้าขาดสติไม่ใช่กุศลมีสติแล้วยังมีสองแบบเลยบางดวงมีปัญญาบางดวงไม่มีปัญญาสั่งไม่ได้หรอก ดวงไหนจะมีปัญญาดวงที่มีสัมมาส ม, มาธิดวงที่มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจะเกิดปัญญาดวงไหนจิตถลำลงไปเกาะนิ่งๆอยู่ในอารมณ์ดวงนั้นจะไม่มีปัญญาแต่จะกลายเป็นสมถะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้ลมหายใจนะถ้าจิตมันแยกออกมามันเห็นร่างกายหายใจอยู่จะมีปัญญาเห็นว่าตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรานะ ถ้าจิตมันแยกอยู่นะั่นจะเห็นเลยกิเลส ท, ทั้งหลายผ่านมาผ่านไปกิเลสทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเร า, า, า, า, เรานี่ใจมันตั้งมั่นอยู่แล้วไม่เห็นจิตที่ตั้งมั่นนะั้นเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตหลงนี่มีปัญญาอยู่นะกุศลชนิดไหนไม่มีปัญญากุศลที่จิตถลำไปเพ่งอารมณ์ไปแช่ยอยู่ในตัวอารมณ์เช่นดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องตัวนี้เป็นกุศลนะมีสตินะแต่ไม่มีปัญญานะ เดินจงกรมยกเท้าย่างเทารู้หมดเลยนะเท้ากระดิกไงรู้หมดเลยจิตไหลไปอยู่ที่เท้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีปัญญาทําไมหลวงพ่อกล้าชี้ขาดว่าถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วไม่มีปัญญาเพราะพระอภิธรรมสอนไว้เราภาวนาเรามาเห็นด้วยการปฏิบัติแล้วเราก็ทดสอบด้วยปริยัตได้ในอาภิธรรมสอนไว้เป๊ะเลยบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าใจไม่ตั้งมั่นนะขึ้นมาจริงๆนะ ไม่มีปัญญาถามว่าเป็นกุศลได้ไหมเป็นได้มีสติได้ไหมมีได้แต่ถ้าใจไม่ตั้งมั่นนะไม่มีปัญญาใจที่ไม่ตั้งมั่นคือใจที่ไหลเข้าไปแช่อยู่ในตัวอารมณ์รู้ลมหายใจใจไปอยู่ที่ลมรู้ท้องผองยุบใจไปอยู่ที่ท้องรู้เท้าใจไปอยู่ที่เท้านะอันนี้ไม่เกี่ยวกับใจลอยถ้าใจลอยเป็นอกุศลนะไม่รู้กายไม่รู้ใจแล้วใจลอยหลงไปคิดเรื่องนนเรื่องนี้จิตไหลไปอยู่นั้นไม่ใช่สมถะ เขาไม่มีสติสมัธาต้องมีสติแต่เป็นสติที่จิตมันจ่อลงไปลงไปแนบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่จิตไปเพ่งอารมณ์นะเป็นสมัธาถ้าเมื่อไหร่จิตหลงไปเลยลืมกายลืมใจนะก็ใช้ไม่ไดนะ้ใช้ไม่ได้เลยถ้าเมื่อไหร่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะด้วยจิตที่เป็นกลาง จิตมันปีสัมมาสมาธิมันจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางอันนี้ถึงจะใช้ได้นะพอไหวไหมเรียนอย่างนี้เวลาสอนนะหลวงพ่อสอนทั้งกระดานสอนทั้งระบบมันถึงจะเข้าใจได้คนยุคนี้ต้องเรียนแบบนี้คนยุคนี้ไม่อดทนเหมือนสมัยที่หลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะเราไปหาท่านท่านสอนได้นิดหนึ่งนิดหนึ่งสอนเหมือนให้จิ๊กซอมาตัวหนึ่งนะ ยิ่งไปมาสิบวันได้มาสิบตัวต่อกันไม่ติดเลยถ้าจับหลักของหลวงพ่อได้นะไปเรียนที่ไหนก็เข้าใจเราจะเข้าใจด้วยซ้ำไปว่าอาจารย์นี้สอนถูกหรือสอนผิดส่วนใหญ่พอเรียนกับหลวงพ่อเข้าใจแล้วไปเรียนที่อื่นไม่ได้แล้วอย่ารู้เริวมไปไม่ไหวแล้วนะรับไม่ลงจะเรียนที่หลวงพ่อแล้วก็บางคนย่ามใจนะ เป็ลูกศิษย์ลงพ่อประโมทแตกฉานเลยธรรมารู้หมดเลยใครพูดอะไรนี่เข้าใจเข้าหมดเลยว่าเขาภาวนาถึงขั้นไหนรู้หมดเลยแต่ตัวเองภาวนาไม่ได้ <c oughs> อย่างนี้เป็นพวกใช้ไม่ได้นะเพราะเราต้องมีสตินะดูของเราไปอย่าทิ้งการมีสติรู้กายรู้ใจเพราะสติปัฏฐานนี่แหละคือทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นใครจะมาอ้างไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยแนละ้วบรรลุเองเงั้นหมาก็บรรลุสิเลย ไม่ปฏิบัติแล้วบรรลุได้หมาแมวบรรลุไปหมดแล้วบรรลุไม่ได้นะต้องลงมือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางรู้อย่างนี้ถึงจะใช้ได้ที่หลวงพ่อบอกไม่ต้องทําอะไรเลยหมายถึงว่าความอยากทําเกิดขึ้นให้รู้ทันสิ่งที่ทํำมีอันเดียวนะ่ยคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางนี้แหละ ท, ทําเท่านี้อย่างอื่นไม่ต้องทำลนะที่บอกไม่ต้องทําไม่ต้องทําหมายถึงส่วนใหญ่จะนั่งเพ่ง เพ่งเพ่งเพ่งเพ่งไว้นะหลวงพ่อบอเฮ้ยเลิกไปเลยไม่ต้องทําแล้วนะก็ทําผิดนะไม่ทําทําไมอ่ะทําถูกต้องทําไม่ต้องทํำก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นกลางตั้งมั่นนะมันถึงเป็นกลางถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานบางคนนะไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอานะไม่ไม่เอาไปทุกอย่างเลยเอาอย่างเดียวคือเอาความไม่เอานะ เคยมีในสมัยพุทธกาลบางคนไปบอกพระพุทธเจ้ารู้สึกชื่อสุนัขข่าริชวีบอกว่าอันนี้อะไรก็ไม่สมควรแก่ข่าพระองค์ทั้งสิ้นเลยคือพวกที่ไม่ยึดถืออะไรสักอย่างไอ้อาก็ไม่ยึดอะไรสักอย่างอ่ไอ้นอกก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นอกก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอานะวาท่าใดๆคือทฤษฎีการปฏิบัติใดๆก็ไม่สมควรแก่ข่าพระองค์ทั้งสิ้นเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นวาทธาที่ว่าจะไม่เอาอะไรเลยก็ไม่ควรแก่ท่านเหมือนกันนี่หงายหลังไปเลยนะ เพราะฉะนั้นพวกเราต้องจับหลักให้แม่นนะแล้วก็ตั้งใจภาวนาขยันดูกายดูใจไปวันนี้เชิญไปทานข้าวสอนติดทานเกินไปสองนาทีเดี๋ยวต้องไปหักออกทีหลัง <c oughs> นี่หมดเลยครับนี่น